ทรงปรารบพวกภิกษุณีฉับพัก ค, คีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพัก ค, คีไม่ไปรับโอวาทในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเป็นปฐมปาราชิกสมุดฐานละ